พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนิสนทนาใหมา่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่จะให้ท่านทั้งหลายได้พบกับสิ่งที่พระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะได้ตรัสรู้และฝากคำสอนอันนี้ไว้พร้อมทั้งบอกว่าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะถ้าในแง่ที่เป็นพระธรรมเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์นั้นยังมา ทำให้ผู้ที่ได้เข้าถึงเนี่ยเหมือนก็ได้เข้าเฝ้าพระศาสดากันอยู่ตลอดเวลารายการนี้เรามีพระมหาภัยบุรอภิปุลโนจาวัตป่าดอนหายโศกดอนทา น, นีค่ะจะมาเป็นผู้ที่เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะให้กับเราเพร้อมกันนั้นท่านก็จะได้มอบแนวทางในการปฏิบัติเชิญชวนท่านปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับรายการนี้เพื่อที่จะได้ทําให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการที่มา ฟังธรรมะของพระศาสดากันด้วยนะคะและเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาที่กําลังจะมาถึงนี้สถานีวิทยุครอบครัวข่าวที่ท่านทั้งหลายกําลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้ค่ะก็จะได้จัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีส่วนร่วมในการที่จะไปประกอบกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นกิจกา ร, รที่ดีน ะ, นะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงท้ายของรายการ แต่ว่าตอนนี้ท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะจะได้นําไปสู่การพบกับพระอาจารย์ที่จะนําท่านปฏิบัติ ธ, ธรรมในนาทีต่อไปคะ่ะกราวนพัธ ก, การนะคะท่านเราบุคบานค่ะเปาบานเรามาเริ่มกันปฏิบัติ ด, ด้วยการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจสําหรับท่านที่เคยปฏิบัติมาแล้วมีประสบการณ์อยู่บ้างมากก็ตามน้อยก็ตามเนี่ยก็คงจะทราบว่าเวลาเราระลึกถึงลมหายใจนี้เราไม่ต้องตามลม ให้ใช้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เรารับรู้ถึงสัมบัติของลมหายใจได้ในโพรงจมูกของเรานี่แหละมันจะมีสักจุดหนึ่งเอาจุดนั้นแหละเป็นที่ตั้งของลมหายใจแสําหรับผู้ที่เพิ่งจะมาเริ่มในการปฏิบัติเราก็ทําอย่างเดียวกันแบางทีลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่เคยสังเกตมืก่อนมันอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ตำแหน่งไหนก็อาจจะลองหายใจแรงสัก2องสามครั้งนะพอหายใจแรงสัก2อสครั้งเราก็ให้หายใจอย่างเป็นปกติธรรมดา เราจะจะทราบถึงจุดที่เราจะรับรู้ถึงสมบัตินี้ได้จุดนี้ตำแหน่งนี้ก็เรียกว่าตำแหน่งปริมุขขังเป็นตำแหน่งเฉพาะหน้าเป็นตำแหน่งทางเข้าออกของลมหายใจเรามาให้จิตของเรามาอยู่ณที่นี้จะได้ประโยชน์อะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีทันดใดณเวลานั้นก็คือสติจะตั้งขึ้นปรชิชาบอกว่าลมหายใจเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้ลมหายใจคืออนาปานสติเนี่ยถ้ามีแล้วจะทําสติปารานทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้ สติปัานทั้งสีนี้ก็คือเราเป็นผู้ที่เห็นกายลมหายใจของเราที่เรามาระลึกถึงนี้ทําให้เราเป็นผู้ที่เห็นกายในกายได้ในขณะที่เราเห็นลมหายใจสติตั้งขึ้นอยู่นี้มันก็จะมีอุปสรรคบ้างที่จะมาคอยขัดขวางเช่นความคิดนึกฟุ้งซ่านอะไรต่า ง, างๆแต่สิ่งนั้นเราพยายามที่จะทําให้สงบระงรับโดยการที่ตั้งสติขึ้นเอาไว้การตั้งสติขึ้นนี้มันก็จะมีสิ่งที่มาล่อลวงยั่วยวนดึงเราไป เราพยายามที่จะปรับบังคับให้มันดีให้มันได้การทําตรงนี้เป็นเหมือนกับการที่ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะเมล็ดพันธุ์ในการที่เราจะบรรลุธรรมต่อๆไปได้พระเจ้าเคยเปรียบเทียบเรื่องของเรียมาร์กมีองแปดเป็นเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถ้าเราปลูกแล้วทําแล้วมันจะให้ผลงอกงามที่ดีต่อไปและเคยเปรียบเทียบเคียงคู่ไว้กับพืชพันธุ์ที่ไม่ดีและได้ตรัสไวอ้อย่างนี้ว่า พิสุดต้องหลายเมื่อบุคคลมีมิจฉาทิฐิมิจฉาสังคัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณะและมิจฉาวิมุตติเสร็จแล้วการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เขากระทำเต็มที่ตามทิฐินั้นใดๆก็ดีเจตนาก็ดี ความปรารถนาก็ดีปณิธานก็ดีหรือสังขารการปรุงแต่งใดๆก็ตามทำเหล่านั้นทั้งหมดของบุคคล น, นั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์อันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกลไม่น่าพอใจไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลก้อ น, นั้นเบ้อเหหลเล่าเพราะเหตุว่าทิฏินั้นเป็นทิฏิที่ชั่วเปรียบเหมือนพันไม้สเสดา พันไม้บวบขมพันไม้น้ำเต้าขมที่เขาปลูกลงไปในดินที่ยังเปียกพืชนั้นเข้าไปจับรดแห่งดินและรดแห่งน้ำใดๆรดแห่งดินและรดแห่งน้ำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมของเผ็ดร้อนของไม่อร่อยข้อนั้นปรดหต์ไปเล่าประเหต์ว่าพืชนั้นเป็นพืชที่ชั่ว ส่วนเมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติเสียจแล้วการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เขากระทำเต็มที่ตามทิฏฐินั้นใดๆก็ดีเจตนา ความปรารถนาหรือปดิหารการปรุงแต่งใดๆก็ตามทำเหล่านั้นทั้งหมดของบุคคลนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสุขอันน่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจเป็นประโยชน์เกื้อกูลข้อนั้นรเรื่ลยเล่าเระเหตุว่าทิฐินั้นเป็นทิฐิที่ดีเปรียบเหมือนพืชพันอ้อยพืชพันข้าวสาลีพืชพันองุ่น ที่เขาปลูกลงไปในดินที่อย่างเปียกพืชพันนั้นเข้าไปจับเอารสแห่งดินและรสแห่งน้ำใดๆรสแห่งดินและรสแห่งน้ำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นรสที่น่ายินดีรสหวานรสชุ่มฉ่ำข้อนั้นเะเรดไปเล่าเพเรดว่าพืชพันนั้นเป็นพืชที่ดีและเมื่อเราเจริญสติอยู่อย่างนี้ เป็นการรดน้ำพรวนดินให้กับพืชพันธุ์ที่ดีในจิต ใ, ใจงเราเช่นพรสาธุค่ะดัง น, นั้นอ่าก็จะต้อ ง, ต, องต้องทําให้ถูกต้องถูกไหมครับใช่ใชประเด็นก็คือว่าจิตใจของเราเนี่ยเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์พืชที่ว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะว่าใจเนี่ยเป็นมเมล็ดพืชใช่ไหมเราก็มีเจ้าเวทนาสัญญาสังหารและรูปสี่อย่างเนี่ยเป็นดิน เป็นดินที่เจ้าใจเนี่ยมันจะไปเข้าไปเกาะเกี่ยวไปเติบโตได้เพราะฉะนั้นถามว่าอ้ในใจเราเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์แบบไหนคุณกําลังรดน้ำํำรวนดินให้กับเมล็ดพันธุ์แบบไหนในใจิตใจของเราค่ะอืมนั้นถ้าพูดในที่นี้พระพุธงกําลังจะเปรียบเทียบขันสี่ขันใช่ไหมคะใช่คือสี่กองน้ำมนุษย์เนี่ยว่าเป็นเหมือนดินดินแลนะน้ําดินต้องอใช่ปะแล้วในส่วนของรูป ซึ่งเป็นขันที่หนึ่งนีเปรียบเหมือนเมล็ดพั น, น, น, นธนญญน์อย่างนั้นหรือคะรูปเนี่ยรูปเวญทนาสัญญาสังขารสอย่างนี้นะเป็ น, เ ห, นเหมือนกับดินส่วนวิญญาณเนี่ยเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธ์ค่ะเป็นเมล็ดพันธ์นะคะวิญญาณเป็นเหมือนเมล็ดพันธ์ตัวรู้เป็นเหมือนเมล็ดพันธ์ใช่ใ่ค่ะทีนี้พูดที่เข้าไปไปรู้เนี่ยก็ถามว่าจิตใจที่เข้าไปรู้เนี่ยเป็นจิตใจที่มีธรรมชาติแบบไหนคือด้านดีของเราก็มีด้านไม่ดีของเราก็มีถูกไหม ในในใจของโมนุษย์ที่ยังมีกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาที่เราเจอปัจจัยที่ไม่น่าพอใจถ้าแปดว่าเราไปทําไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีเพราะว่าใจิตใจเรามีการกระทําที่ไม่ดีอยู่ภายในเนี่ยก็เหมือนกับไอสิ่งที่มากระทบเนี่ยเรารดน้ําให้กับพืชพันธุ์ที่ชั่วเป็นต้นสะเดาอะไรเงี้ยที่มันจะออกรสมาขมนในทางตรงกันข้ามถ้าแปลว่าอา้าวมีเรื่องอะไรมากระทบเรื่องเดียวกันนี่แหละ นะแล้วก็ถ้าบอกว่าเราคิดดีพูดดีทดําดีออกไปนะเพราะว่าจิตใจของเรามีเจริญต้องการเจริญมรรคเรียมรรคมีองคเนี่ย อ, อันนั้นก็จะเป็นการรดน้ำปรวนดินกับให้กับต้นที่มันดีพืชพันธุ์ที่ดีมีต้นอ้อยอต้นมะตูมอะไรงนี้เป็นต้น<ะ>เรื่องนี้ในทางเพื่อศาสตร์นะคุณหยมเติว๋วออกมาว่ามันม น, น่าสะใจมากนะคือดินเดียวกันปลูกอยู่ใกล้ๆกันต้นหนึ่งทําไมโตมาเป็นต้นสดาขม ในที่วัดป่าเราไนโศกนี่ก็มนะีต้นหนึ่งโตขึ้นมาเป็นต้นมะตูมหวานเป็นยาด้วยนะนะดินเดียวกันน้ําเดียวกันโอ้มันน่าแปลกใจมากสำหรับอัตวานะอันนี้พูดถึงในทางพฤก ษ, ษาศาส์ใช่ใช่ทางพฤ ษ, ษาศตร์แล้วก็ผูเ้เชี่ยวเตัวอย่างมาเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกันเป๊ะเลยจิตใจคนสองคน น, นะจิตใจคนสองคนก็ได้ อ, อยู่ในผัสสะเดียวกันคนหนึ่งกับดาวดากราดพูดไม่ดีอะไรต่างอ้าวนั่นคือ มีพื้นพันชั่วอยู่ในใจเขานะอีกคนหนึ่งก็สงบสงี่ยมได้อดทนได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เออสันนิษกฐกานเดียวกันแต่กลับปฏิบัติไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยใช่หรือแม้แต่คนเดียวกันก็ตามนะคนคนเดียวกันก็ตามนะสันนิษกฐกานแบบนี้เ อ, อกับคนนี้เออพูดดีได้แต่อีกคนหนึ่งเขาพูดคําเดียวกันมาเออกับพูดไม่ดีกับเขาอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันไปคนละต้นกันใน ใ, นใจเขาเนี่ยอมค่ะ ก็เรนคิดว่าเรื่องของจิตใจอันนี้่าท่านอธิบายได้ครบประสูหรือยังคะใช่ใช่ใช่เฉยพนคือในเรื่องของจิตมนุษย์เนี่ยอันนี้จากประสบการณ์ที่เมื่อมาเรียนรู้ธรรมะแล้วเราก็เฝ้าสังเกตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่เราจะไปกํากับจิตดเันคิดว่าถ้าจะสรุปว่าจิตใจในที่นี้หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของเราอะนะคะเฉยพาน ที่บางครั้งบางคนบอกว่าไม่ได้ทำด้วยการกระทำะนะแต่ความคิดเนี่ยเป็นนามธรรมของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะบางทีมันบังคับยากซึ่งดิฉันก็เลยมาสังเกตว่าใช่หรือไม่ว่าเป็นเพราะเรามีผัสสะน่ะไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผัสสะเยอะๆเข้าเนี่ย ผลมันก็จะออกมาเป็นใน ล, ลักษณะตามไปแล้วแต่ว่าภรรษาที่ได้รับจะพาเราไปทางใดถ้าเราหลักไม่ดีมันวางยาดนะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นมันยากจริงใ ช, <ๆ>ใช่ใช่ใชเห็นด้วยเห็นด้วยคือนี้มันจะสอดคล้องกับพุทธพจน์ที่พระเจ้าได้ตรัสถึงว่าอินซีคือตาหูจมูกลิ้นกรใจที่เป็นช่องทางให้พัรษามาเนี่ยน ะ, ะมันจะพุ่งเข้าสู่จิตใช่ไหมจะเล่นไปสู่จิตเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะรับหมดเลย ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าทั้งพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจไม่รู้ใครตัดสินใจแต่ว่ารับหมดทุกอย่างที e นี้ถ้าจิตที่เป็นอย่างนี้อาถ้าพอใจมันก็จะลากเราขึ้นดีใจไปถ้าม e ันไม่พอใจมก็จะลากเราลงต่ำไปเพราะฉะนั้นจิตเราจึงต้องมีหลักอย่างที่คุณยมติ ว, ว่าในที่นี้หลักในที่นี้ก็คือสตินะจิตเนี่ยต้องมีที่ล่นไปสู่คือสต e นะิถ้าจิตไม่มีสติเป็นที่แล่นไปสู่แล้วมันก็จะไปตามปัสใจอย่างที่ว่านั่นละ ค่ะแต่ในความหมายของท่นนอกจากที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะค ะ, ะนั่นึองเชื่อว่านุ์เนี่ยถ้ า, าพาตัวเองอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยคื อ, อที่ที่ทำให้ผัาสสะมเกิดเยอะเนี่ยบางทีมันก็สู้ยากซช่ซอาจจะต้องทำให้สิ่งที่เราตั้งหลักมาดีๆนานๆนี่ต้องมีการตั้งหลักกันใหม่มถูกต้องถูกต้องก็พระเจ้าจึงพูดถึงเรื่องที่อโรจรนนะนะที่ไม่ควรไปอ่ะ ที่ถ้าไปแล้วหูตาของเรามันจะเวอะหวะขึ้นมาเราก็ต้องระวัง <nein ka. S 1> อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของตรงนี้ก็คือว่าอาจารย์ต้องการแยกแยะเรื Chel ่องของผัสสะที <ftig> ่มากระทบกับเรื่องของการตอบสนองของเราเพราะว่าการตอบสนองของเราคือทางกายทางวาจาและทางใจพระเจ้าใช้ตรงนี้ว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมซึ่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นผลด้วยนะเป็นผลของการที่จิตใจของเราเป็นจิตใจที่มี พันุดีะมีความดีอยู่ในใจอยู่นะตอนี้จีตใจของคนที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็มีทั้งต้นที่ดีและต้นที่ไม่ดี น, นะถ้าเบอกว่าภรรษาที่มากระทบนะเป็นภรรษาที่น่าพอใจนะบางคนจะคิดว่าภาษาที่น่าพอใจเช่นเขาพูดดีๆกับเรา เ, าเห็นคนไปทําบุญเห็นสิ่งในบ้านเมืองมีความสามัคคีกันอย่างนี้นะัแล้วเราคิดว่าไอพรรษาที่ดีๆเนี่ยมันจะมารดต้นที่ดีได้แต่มันอาจจะไม่แน่ เพราะว่าถ้าเราเผลอเปลินรุ่มหลงในสิ่งนั้นมันก็ไปรดต้นที่ไม่ดีโอเคนะแต่ถ้าเราไม่เผลอไม่เพลินมีสติตั้งเอาไว้นะอดทนได้มันจะมารดต้นที่ดีเนะี่ยภาษาที่มานะั่นนะเป็นเหมือนน้ำในในทางตรนข้ามถ้าภาษาที่ไม่น่าพอใจเนะี่ยเช่นเขาด่าเราก็ทําให้เราเจ็บช้าน้าใจเสียเสียหายนะไอภาษาตรงนี้ถ้ามันมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจะไปรดต้นที่ไม่ดีทำให้ฉันดา่ากลับว่ากับอาจจะไม่แน่นะ เพราะว่าถ้าเราอดทนได้และเราสงบสงเสงี่ยมอยู่ได้ออันนั้นแสดงว่าไปรดต้นไม้ที่ดีแต่ถ้าเราแบบดากลับสวนกลับอันนั้นมันจะไปรดต้นที่ไม่ดีแตเพราะฉะนั้นคนเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่ถ้าคุณพอที่จะควบคุมจิตใจคุณได้เนี่ยไอ้ภาษาที่ดีหรือไม่ดีก็ตามที่มากระทบเนี่ยมันจะไปต้นที่ดีทั้งสิ้นเลยแต่เราก็ค่อยๆปลูกภัยตรงนี้อืก็ต้องฝึกสติเพาะไม่เช่นนั้นแล้วสติมาช้า สิ่งทั้งหลายที่ท่านพิบูลเกิดอได้กล่าวว่าจะต้องเกิดแต่มันก็จะไม่เกิดทันเวลาทันเวลาใช่นะคะนี่ก็เป็นบทพยัญชนะที่พระพุทธองได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราพึงปฏิบัติแนวทางที่ท่านให้ไว้แล้วก็ต้องทําให้ถูกด้วยปฏิบัตให้เป็นให้เป็นสัมมาเนะาใช้คําว่าสัมมาตสาสั ม, มาตะสัมตะเน่ก็คือเอาอริยมรรคมีองค์แดมาบวกกับ สัมมาญาณนะและก็สัมมาวิมุตติสัมมาญาณนะญาณะก็คือการการรู้นั่นเองนะวิมุตติก็คือการหลุดพ้นซึ่งซึ่งสิบอย่างเนี้ยก็เรียกว่าสัมมัตตะนะของของเรื่องของฝั่งดีถ้ามิจฉาทิฏฐิคือมิจฉามากักบวกกับมิจฉาญานะและก็มิจฉาวิมุตติเนี่ยก็เรียกมิจฉัตตะศัพนทะ์มันจะออกมาผสมกันมาเป็นอย่างนี้คะนะ นี่เท่ากับว่าท่านพระบุนกำลังหยิบยกบทพุทธพจน์ ท, ที่เหมือนกับฟังครั้งเดียวปฏิบัติได้จะเดินทางไปได้ไกลมากนะคะใช่ๆช่คือคือทุกคนเนี่ยแม่ต่อให้คนไม่ดีขนาดไหนเอาสัตว์นรกเลยอะหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็ตามเนะ่เขาก็จะมีพืชพันธุ์ที่ดีอยู่ในใจของเขานะจะมีพืชพันธุ์ที่ดีอยู่ในใจของเขาแต่ตอน ตอนนั้นที่เขาได้รับกรรมอยู่มันก็จะทําต้นที่ดีให้มันเกิดมันก็ยากก็กผ่านไปนะเอามนุษย์เราก็แล้วกันแต่ทุกคนมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีอยู่ในใจแก้ไขได้นะด้วยอย่างท่านพระองค์คุลิมานอ่ะนะก่อนตอนเป็นโจรอย่างเงี้ยก็มีจิตใจเหี้ยมโหดเป็นผู้ที่ไม่มีความกรุณาปรานีปักใจมั่นในการฆ่าตีอย่างเงี้ยก็ยังยังแก้ไขได้นะซึ่งไอ้ต้นที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องฝันมันทิ้งอย่าไปให้อาหารมัน ฟันมันทิ้งตัดมันทิ้งกุดให้มันถึงรากถึงโคนถอยมันออกส่วนต้นที่ดีๆคุณก็ต้องอปรับปรุงเอาวัชพืชออกนะทํากิจที่ควรทําสําหรับต้นไม้เนี่ยให้มันดีให้มันโตขึ้นมาได้ค่ ะ, ะสุดยอดที่ว่าคือพระพุทธองค์เนี่ยได้แตสรู้แล้วก็สอนพวกเราเอาไว้ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะต้องดําเนินหรือว่าเดินตามมรรคแอริยมรรคในองค์แนะคะ บวกกับอีกสองส่วนที่ท่านพุทโธได้นํามาพูดว่าพระพุทโธเขาได้ตรัสเพิ่มมาไว้ใช่ใชจริงๆแล้วคําว่าญาณะกับวิมุตต์เนี่ยความหมายทั่วๆไปเราก็ทราบกันอยู่ทุกวันญาณะนี่คือคือญาณคือความรู้อย่างบางทีเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อ๋อขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นแหะคือลักษณะของญาณคือความรู้เกิดขึ้นแล้วแต่ ค, ความรู้เกิดขึ้นแล้ววิมุติในวิมุตคือหลุดพ้นอย่างเช่นว่าคุณมาดูเราหมายใจ แล้วจิตใจของคุณเนี่ยก็สามารถที่จะไม่ไปคล้องแวะไม่ไปเห็นเสียงนะรู้รับรู้ถึงเสียงโดยความเป็นกัดเครืองได้คือเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ขัดเครืองในใจของเราไม่เป็นเสี้ยนน้ำอา้าวแสดงว่านั่นเราหลุดพ้นละเป็นวิมุตต์เกิดขึ้นละ่ะขณะหนึ่งตรงนั้นเห็นไหมแต่ไอาวิมุตต์หรือยานตรงนี้ยานนี้ถ้าบอกว่ามันไม่ใช่สูงสุดมันก็ยังจะเศร้าหมองได้ยานคือที่เรารู้อ๋อเนีบางทีเราลืม บ า, บางทีมันเศร้าหมองได้อันนี้เกิดขึ้นได้ถ้าเรายังมีวิชาเป็นเชื้อทีจ่จะมาเกิดใหม่มาครอบงำใหม่ได้วิมุตตินี้ก็เหมือนกันถ้าเราว่าคิดว่าเราหลุดพ้นจากอารมณ์นี้แล้วแต่ถ้ายังมีเชื้ออยู่มันอาจจะกลับกาเริบได้ตรงนี้ค่ะนะนะคะแหมอันนี้มีความรู้เพิ่มเติมอีกนะคะเนี่ยว่าสำหรับสัมมาสองประการที่มารวมกันกันกบอเรมาสในองแปดทาให้เป็นสัมมตตนี้ ก็มีรายละเอียดแล้วก็ทําให้รู้ว่าอ๋อวิมุตตินี่มีทั้งวิมุตต์ชั่วคราวกับวิมุตต์ที่วิมุตต์แล้หลุดพ้นไปนเลยด้วย เ, เขาจะใช้ศัพท์เดียวกันนะนะคุณยมตีเพราะว่ามันมันมีลักษณะเดียวกันแต่าการที่ถ้าเราบอกเป็นวิมุตต์แบบกลับกําเริบเราเราพูดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ที่ว่านั้การกลับกําเริบเนี่ยเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งเป็นเป็นแยกกันไปอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุปัจจัยเรื่ยวกับวิชา แต่ท่านกำลังจะบอกว่าอาการของวิมุตจะเป็นแบบนี้ใช่ใ ช, ใ ช, ใช่ถูกต้องถูกต้องคือเมื่ออะไรมากระทบแล้วเราสามารถที่จะหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มากระทบนั้นได้ถูกต้องมันจะเหมือนกับน้ำถูกกระบใบบัวมันติดกันอยู่แต่มั น, มนไม่เปื้อนกันค่ะอ่าดิฉันอยากทความเข้าใจกับบางท่านบอกเอ๊ะ ฟังมาวิมุติว่าพ้นแล้วพ้นเลยทําไมถึงมาพูดแบบนี้นี่เป็นการอาธิบายใช่ใชอาการของวิมุติที่ใช้ศัพท์เดียวกันกับวิมุติที่พระพุทธองค์หมายถึงว่าวิมุตแล้วหลุดพ้นไปเลยอมันเหมือนกันเพราะนั้นอาจารมาจะพูดไม่ได้เลยว่าวิมุตแบบกับกําเริบมันมันจะผิดศัพท์ก็จึงต้องอธิบายเลยกักสายนี้ค่ะทีนี้ก็เพิ่งเพิ่ ง, เ พ, งเพิ่งเข้าใจว่านี่คืออาการจะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าหลุดพัวไปเลยไม่มีกลับมาอีกเนี่ย มีมุดที่สุดขอท่ที่สุดมีมุดของวีมุมิเพราะนั้นเพราะนั้นก็คือเออเราก็ต้องค่อยๆทำไปอันนี้พูดมาพูดเนี่ยก็คือเพื่อที่จะให้กาลังใจว่าบางทีต้นเรามันยังเล็กอยู่แล้วก็ค่อยรดน้ำพร้นดินให้ปุ๋ยอ่ะนะมันจะทำให้มันโตขึ้นมาเป็นผลได้แล้วผลเนี่ยมันจะหวานจะชุ่มฉ่ำเป็นผลที่น่ารับประทานค่ะนะคะก็พยายามตั้งใจ เดินต่อไปรับรองว่าก้าวหน้าแน่ๆใช่เจมพานค่ะจะตั้งต้นทำอะไรดีคะท่านคก็จริงๆเมื่อ20นาทีที่แล้วตั้งแต่ ต, ต้นต้นรายการเนี่ยเราทามาแล้วนะคือมีสติอยู่แล้วตลอดเวลาในการที่เรามีสติอ้าวเราก็รดน้ำต้นไม้ที่ดีของเรานี้ขึ้นมานะมันก็จะสุกงอมได้บ่มวิมุตของเราให้มันถึงที่สุดได้ค่ะแล้วก็พอท่านพูด20นาที ที่แล้วมาบางคนก็บอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยวก็จะพักได้แล้วอ่าก็ต้องรดน้ำต่อไปนะเพราะว่าต้นไม้มันก็ต้องค่อยๆโตแต่เพราะฉะนั้นเราจะอ่าการดูแลต้นไม้มันก็ต้องทําอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะเพราะว่าในส่วนของอ่าอริยมัติมีองค์แปดนั้นมีหลายองค์มากที่เราสามารถและเราทําได้เลยในการใ ช, ใ, ชใช้ชีวิตของเราถูกต้องถูกต้องนะคะท่านจะได้ยินแบบ ฟังง่ายเข้าใจง่ายๆก็เช่นคําว่าสัมมาวาจาอย่างเงี้ยวาจาแปล ว, ว่าคําพูดเนี่ยนะคะไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อไม่พูดปดที่อยู่ในศีลห้าเนี่ยก็ถือว่าถ้าท่านาสามารถใช้วาจาเช่นนี้ได้แล้วท่านก็ได้เดินทางไปอย่างถูกต้องตามาสัมมตัดข้อหนึ่งถูกไหมคะใช่ผานถูกต้องนะคะแล้วก็ท่านศึกษา ไปเถอะเพราะว่าเราก็พูดกันไปเยอะแล้วแต่วันนี้จะรวบให้ฟังว่าดังนี้ดังที่ท่านพิบูลพูดนะคะว่าถ้าปฏิบัติก็ต้องระมัดระวังให้เป็นสัมมาตาละกันจะได้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของเราเลนะคะวันนี้ก็น้อมสักการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วนะคะเชี่มพานค่ะท่านฝั่งที่ครบคะนนก็คือพระอาจารย์พบูลอภิปุณโณ น, นะคะจากวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีค่ะส่วนท้ายของรายการเนี่ยฉันก็มีเรื่องที่จะกลับเรียน ท่านั้งหลายนะคะให้ได้ทราบถึงกิจกรรมของทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะเรหที่กำลังจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายไปร่วมกิจกรรมกันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มีชื่อหน้าไปมากเลยก็คือก่อการบุญก็จะจัดกันที่วัดปทุมวนารามแล้วก็จะเชิญผู้ที่ฟังรายการนี้ยี่สิบท่านซึ่งได้ติดต่อไปที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทางสถานีวิทยุได้เตรียมรับตลอด24ชั่วโมงก็คือ06106 2126 6106เขาจะาพูดขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายการวิทยุที่ออกอากาศตอน3ทุ่มเศษเศษนะคะชื่อรายการบางกอกสนทนาด้วย แต่ถ้าท่านไม่มีเวลาฟังสะดวกแต่ตอนเช้านะคะโทรศัพท์ไปตอนนี้เขาก็รับตอนนี้24ชั่วโมงถึงวันที่8พฤษภาคมและถ้าท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะไปร่วมกิจกรรมนี้ในทางตรงหรือว่ามีศรัทธามากกว่า น, นั้นเห็นคนมาเยอะๆร่วมกันทําบุญร่วมกันสวดมนต์จะเสนอที่จะร่วมทําบุญกับเขาก็ติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในหลายๆลักษณะเช่นจัด น้ำจัดอาหารไปเลี้ยงผู้ที่มาเป็นต้นค่ะรายการของเราก็จะาพบกับท่านใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้พูดทว่าสวัสดีค่ะ